Oh. น, นี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วเราได้ก้าวสู่ปีใหม่ปีสองห้าหกห้าขึ้นสู่ปีใหม่มาได้ห้าชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังมืดอยู่ปีใหม่นี่เริ่มต้นโดยความมืดแต่เราก็รู้ว่ามันจะมืดไปไม่ได้นานอยู่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะสว่างแสงเงินแสงทองเริ่มปรากฏแล้วอรุณรุ่งก็จะตามมาแล้วฟ้าก็จะสว่าง อันนี้มันบอกอะไรเรานะมันบอกเราว่าชีวิตของคนเราแม้ว่าจะมีความทุกข์ไม่ว่าทุกน้อยหรือทุกใหญ่แต่ในที่สุดมันก็จางคลายไปมีสุขเข้ามาแทนที่บางครั้งชีวิตเหมือนกับตกอยู่ในความมืดแต่ความมืดก็จะไม่ยั่งยืนแล้วชีวิตเราก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่ง ปีที่ผ่านมาเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนความยากลำบากไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ว่าเรามั่นใจว่าในทสุดมันก็จะผ่านไปเหตุการณ์บางอย่างเราแก้ไขทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ความรู้สึกของเราที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนนะความพัดพลากสูญเสีย อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ว่าความเศร้าโศกเสียใจจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็จะไม่จีรังแล้วมันก็จะผ่านไปถ้ามื่อขึ้นปีใหมน่นี่ก็ขอให้เราระ ล, ลึกถึงความจริงข้อนี้ให้ดีว่าความมืดมันไม่เคยยั่งยืน ไม่ชา ก, ก็เลยมันก็ต้องหลีกทายกับความสว่างความทุกเนี่ยแม้ว่าจะหนักหนายเพียงใดในสุดมันก็จะผ่านไปค่อยๆเรานะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมั่นใจในความจริงข้อ น, นี้เหมือนกับที่เรามั่นใจว่าอานะรุณรุ่งเนะี่ยย่อมมา แทนที่ความมืดไม่ช้าก็เร็วนะปีหกห้านี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครที่จะมั่นใจได้ว่าปีนี้เนี่ยนะสถานโควิดนะจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครบอกได้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ก, กว่าปีก่อนหรือเปล่าล้วเราคงจะตอบไม่ได้ว่าชีวิตเราจะมีความผันผวนอย่างไรในปีนี้หรือไม่แต่แม้ว่ามันจะเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนซึ่งก็เป็นธรรมดานะเพียงแต่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ ตอนที่เริ่มต้นปีหกสามเนี่ยหลายคนก็คิดว่าชีวิตมันก็จะเป็นไปอย่างที่เคยเป็นโดยที่ไม่ตระหนักว่าไวรัสโควิด COVID, มันกำลังจะ ก, ก่อตัวแล้วก็อารวาสในเวลาต่อมาจนทั้งทำให้ชีวิตของเราแปลเปลี่ยนไป บางคนถึงกับพิกพันเลยทีเดียวมันเป็นความไม่แน่นอนที่ผู้คนไม่ได้ตระหนักนั่นคือปีหกสามแต่ปีหกห้านี้เราก็ตระหนักกันมากขึ้นนะถึงความไม่แน่นอนแต่อนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเตือนหน้าหรือว่าอีกสามสีเดือนข้างหน้า เราก็อย่าไปวิตกกังวลกับมันมากเกินไปอย่าไปจมอยู่กับการคาดเดาหรือการมโนเกี่ยวกับภาพอนาคตเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนสิ่งที่เราวาดภาพเอาไว้จนเกิดความวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ หรืออาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราวาดภาพเอาไว้ประสบการณ์ของเราในอนดีตที่ผ่านมาก็คงจะบอกเราหรือคงจะเตือนให้เราได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราคาดการเกี่ยวกับอนาคตจนวิตกกังวลจนกระทั่งเครียดบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลย หรือไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคาดคิดอดีตเป็นอย่างไรนะอนาคตก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คืออย่าไปวิตกกังวลกับมันมากเกินไปเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้จะดีกว่าที่เราเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจุบัน ปัจจุบันในที่นี้ก็รวมไปถึงการตัดเตรียมตเตรียมตัวให้พร้อมกับอะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้คิดถึงอนาคตไวบ้บ้างก็ดีไม่ใช่เพื่อทําให้วิตกกังวลเพื่อเครียดเพื่อกัดกลุ่มนะแต่เพื่อตัดเตรียมให้พร้อมถ้าเรากังวลมากไปเราก็ละเลยโอกาสในการที่จะตเตรียมตัวให้พร้อมต่อเมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันการตัดเตรียม ให้พร้อมกับความไม่แน่นอนหรือความ ผ, ล ผ, ลผลนันผวนในอนาคตจึงจะเป็นไปได้การกลับมาอยู่กับปัจจุบั น, นเป็นสิ่งสำคัญมากนะหรบการดำเนินชีวิตบ่อยครั้งเนี่ยเราสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่จำเป็นด้วยการที่ปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับอดีต กับเรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดหรือไม่ก็ไปหมกบุญอยู่กับภาพนราคตที่มโนไปในทางที่เวลวร้ายผู้เจอาัดว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรเอาทุกข์มาทับถมตนหมายความไม่ควรที่จะเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองเพราะว่าเพียงแค่การ ใช้ชีวิตการดำรงอัตภาพนี่มันก็ทุกอยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยนะมันก็มีความหิวมีความปวดความเมื่อยเกิดบางทีก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแค่นี้มันก็มากพออยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่ควรเอาทุกข์อื่นๆมาทับถมตนหรือว่าซ้ำเติมตัวเอง แต่การที่เราปล่อยใจให้ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตนั่นแหละมันเป็นการทับถมตนด้วยความทุกข์อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราทําเป็นประจำฉนั้นฉันเลยอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เรามีชีวิตที่ผาสุกนะก็ต้องก ล, อ ก, จจกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นกลับไปอยู่กับปัจจุบันเป็นนิดสม่ําเสมอไม่ปล่อยใจให้ไหลไปอดีต ไปจมอยู่กับอนาคตจนกัะทั่งจิตใจต่ไม่ได้ความโกรธความเศร้าหรือความเครียดมม ก, ก, กับเร่ตอกังวลกลับมาอยู่กับปัจจุบันรวมถึงการที่เราทำอะไรด้วยใจที่เต็มร้อยไม่วอกแวกหรือไปปั่นใจให้กับสิ่งอื่นนะครที่เรากำลังทำสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้า แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นอาบน้ำถูฟันทำครัวจะเป็นงานการใดก็ตามก็ให้เราทำด้วยใจที่เต็มร้อยก็คือมีสติอยู่กับสิ่งนั้นไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันถ้าเราทำด้วย ทำอะไรด้วยใจที่เต็มร้อยเนี่ยสติเราก็จะเติบโตสติเราก็จะมีกําลังมันไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสมาธิในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่มันยังทำให้เรารู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจด้วย สตินี่ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราทํากิจต่างๆให้สําเร็จรูล่วงไปด้วยดีโดยที่ไม่วอกแวกหรือว่าไม่เฉื่อยชาหรือว่าไม่เกียจคร้านเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยทําให้เรารักษาใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆครอบงำเพราะมีมีสตินะจะรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ ได้เร็วขึ้นไม่วาจะเป็นความโกรธความเศร้าความเครียดความวิตกรวมไปถึงความคิดฟุง้งซ่านซึ่งเป็นที่หมางความว่าวุ่นในจิตใจของผู้คนในเวลานี้ถ้าสติเรามีกำลังเราก็จะละทุกข์ต่างๆได้ไวโดยเพราะเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้น นะเมื่อตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นหรือว่ามีการสัมผัสกับร่างกายหรือเมื่อมีเหตุการณ์ ใ, ใดๆที่เกิดขึ้นที่ชวนให้เราไม่พอใจหรือไม่เป็นไปดั่งใจพอรับรู้เข้าเนี่ยไม่ว่าด้วยตาด้วยหูมันก็จะเกิดความโกรธเกิดความ ผิดหวังเกิดความเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็วางอารมณ์เหล่านั้นไม่ยึดนะไม่เกาะเกี่ยวหรือไม่ปล่อยให้มันมารังควานจิตใจได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยเราจะละทุกได้ไวแล้วขณะเดียวกัน การอยู่กับปัจจุบันความหมายหนึ่งคือการที่เรารู้จักชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแย ะ, แยะไม่ว่านอกตัวหรืออยู่ในตัวแต่เราไม่ค่อยเห็นพอไม่เห็นก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่ เราไปให้ความสำคัญนะกับสิ่งที่ยังไม่มีมากกว่าหรือสิ่งที่สูญเสียไปเวลาถูกคนโกงเงินหรือว่าสูญเสียทรัพย์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็หันไปจดจ่ออยู่กับทรัพย์ที่เสียไปจนมองข้ามสิ่งมากมายที่มีอยู่เวลาเจ็บป่วย ก็ไปจดจออยู่กับอวัยวะที่ไม่ปกติจนมองข้ามอวัยวะอีกมากมายซึ่งยังดีอยู่การที่เรามองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทุกข์ได้ง่ายมากและเราก็จะเวายายตีโพยตีภายกับอะไรต่ออะไร มากมายรวมทั้งกับชะตา ก, กรรมแต่ถ้าเราหันมาให้ความสำคัญหรือหันมาเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยเราจะสุขได้ง่ายขึ้นโดยเพพาะเมื่อเราเจอความพัดพรากสูญเสียเจอความผันผวนป่วนแปร ى. บางคนถูกโกงเงินไปหลายสิบล้านแต่ก็ทุกไม่นาน พอเขาได้มาตระหนักว่าเขายังมีชีวิต ท, ที่สุขสบายยังกินอิ่มนอนอุ่นเขายังอยู่บ้านที่ อ, อยู่สบายชีวิตก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมพอหันมาเห็นรับรู้สิ่งดีๆที่มีอยู่แทนที่จะไปตจดจ่อสิ่งที่เสียไปเนี่ยก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิม ไม่มามัวเสียใจกับทรัพย์ที่เสียไปบางคนบ้านโดนไฟไหม้แต่เขา ก, บ, กบรู้สึกโชคดีนะที่ไม่เพียงแต่ตัวเองและคนรักล อ, อดตายมีชีวิตยอยู่แต่ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีค่าที่ยังอยู่ไม่ได้มอดไหม้ไปกับไฟ อันนี้เขาเลือกที่จะมองเห็นสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่เสียไปการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือการที่เราเห็นสิ่งดีๆว่ามีอยู่กับเราแล้วก็รู้จักชื่นชมเห็นคุณค่าของมันสิ่งที่ยังไม่มีก็ไม่ไปตรวจจอทาให เกิดความโลภเกิดความไม่พอใจกับชีวิตที่มีอยู่ก็อย่างที่บอลนะคนเราเนี่ยไปจดจ่อกับสิ่งที่เสียไปหรือสิ่งที่ยังไม่มีหลายคนทุกข์เพราะยังไม่มีอย่างงน้นไม่มีอย่างนี้ทั้งทั้งที่มีสิ่งดีๆมากมายอยู่กับตัวลองดูว่าที่เราทุกข์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่า เป็นเพราะเราไปมัวอะไราอาวอนเสียใจกับสิ่งที่จากไปสูญเสียไปหรือเพราะเราเสียใจที่ยังที่ไม่ได้มีหลายอย่างที่ใครๆเขามีกั น, น, นถ้าเรารู้จักเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และชื่นชมเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะเป็นคนมีความสุขง่าย ให้ลองดูนะคเรามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวการที่เรายังมีสุขภาพดีาการที่เรายังมีเอาไว่ต่างๆทํางานได้ดียังมีตามองเห็นยังมีหูได้ยินยังมีมือมีแขนมีเท้าที่ทํางานได้ปกติยังหายใจได้สะดวกราบรื่น เรารู้หรือเปล่าว่าเนียคือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่มาโดยตลอดเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราทุกวันทุกขณะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะการที่คนเราเนี่ยจะมองเห็นอะไรต่างๆการที่แสงมากระทบกับม่านในในตาของเราแล้วสัญญาณ ก็ส่งไปที่สมองและสมองก็ตีความมาเป็นภาพเป็นภาพของคนที่เรารักหรือธรรมชาติที่งดงามมันต้องใช้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยนับพันองค์ประกอบทีเดียวนะทำงานพร้อมกันอย่างราบลื่นประสานสอดคล้องกันไม่ใช่ง่ายนะที่องค์ประกอบนับพันนี่มันจะทำงานได้ อย่างราบรื่นปกติและสอยคล้องกันเพราะถ้าแค่มีอะไรอันหนึง่งอันใดอันหนึ่งเนี่ ย, ยเกิดเสียไปเกิดพร่องไปเราก็จะไม่สามารถจะมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้ได้จะเรียกว่าเรามีโชคก็ได้นะที่เรายังมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้แต่ว่าไม่ชา้าก็เร็วเราก็จะไม่สามารถจะมองเห็นอย่างที่เห็นตอนนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะความแก่ชรา ตัวนเพราะความเสื่อมนะของสังขารนันในขะที่มันยังยังอยู่กับเรายังปรากฏยังดีอยู่เราควรรู้สึกขอบคุณเราควรรู้สึกโชคดีและตระหนักว่ามันคือความสุขคนเราถ้าไม่ได้เจ็บป่วยเราไม่รู้หรอกนะว่าการที่เรามีสุขภาพดีมีพลานำไปเนี่ยมันสำคัญอย่างไร เน่ที่เรามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยเราควรตระหนักบนเห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณถ้าเรารู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆหรือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เราจะเป็นคนที่สุขง่ายและต่อไปเนี่ยเราจะเห็นความสุขทุกขณะ ได้ไม่ยากความสุขหรือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยนะมันสามารถปรากฏกับเราได้ทุกขณะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่จะไปห่วงว่าจะไม่มีสิ่งดีๆหรือความสุขเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันในแต่ละขณะ แต่ให้ห่วงว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าเราจะชื่นชมมันไหมและเราจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งนี้หรือไม่ความสุขเนี่ยเราพบได้ทุกขณะไม่ยากถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เป็นแต่ทากันได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะมอบหมายให้กับเราหรือจะให้เราเป็นของขวัญได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองปีใหม่เนี่ยควรเป็นปีที่เราจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะให้สม่าเสมอให้ทำเป็นนิดเพราะมันจะช่วยทำให้เราเห็นสุขทุกขณะ แล้วก็ละทุกได้ไวเรามักจะปรารถนาสิ่งดีๆจากคนนั้นคนนี้รวมทั้งปรารถนาโชคลาภปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ใครๆอยากได้โดยเพราะเวลาขึ้นปีใหม่เราก็อธิษฐานอวยพรขอพรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ แต่มันมีอะไรนะที่ดีกว่าการที่เรามีคุณภาพจิตที่ใหม่ที่ช่วยทำให้เราเห็นสุขทุกขนนัะแล้วก็ละทุกได้ไวถ้าเรามีสติมีสมาธิมีสัพชัญญะมีความตื่นรู้ หรือมีความสึกตัวอยู่เสมอมันไม่ยากเลยนะที่เราจะเห็นสุขทุกขนาแล้วก็ละทุกขได้ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพรอนปีใหม่นะมันคงไม่มีอะไรที่ดีกว่าการที่เราเนี่ยนะสามารถจะพบสุขทุกขนาละทุกขได้ไว แต่จะทํากั้นได้เนี่ยใจต้องตื่นรู้อยู่เสมอใจตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันและที่จริงแล้วใจอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละที่ทําให้ใจนี่เกิดความตื่นรู้ขึ้นมาได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละที่นํามาซึ่งความตื่นรู้และความตื่นรู้เนี่ยนะมันไม่เพียงทําให้จิตใจผ่องใสปลอดโปรง่ง ปลอดพ้นจากการรบกวนรังควานของอารมณ์ที่เศร้าหมองเพราะว่ามีสตินะเป็นเครื่องรักษาสติกับสัมปชัญญะความไม่ลืมและความไม่หลงนี่เป็นของคู่กันเมื่อมีสติความระลึกได้มันก็เกิดความตื่นรู้เมื่อสติ เกิดขึ้นเป็นนิดใจก็ตื่นรู้อยู่เสมอและความตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราไม่เพียงแค่รู้สึกตัวนะแต่ว่ารู้ความจริงเห็นความจริงด้วยแลวถ้าเราเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจนถึงแก่นแท้ของมันเราก็จะพบว่า มันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่เชยงแท้ไม่มีอะไรที่คงทนไม่มีอะไรที่ยึดเป็นเราเป็นของเราได้ถึงตอนนั้นแหละที่ใจเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดสิ่งใดว่าเป็นฉันของฉันหรือเป็นตัวกูของกูน่าเสีย่าของความ สุขและอิสระแห่งชีวิตเนี่ยก็คือการที่ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดนะว่าเป็นเราเป็นของเรานะว่าเป็นตัวฉันหรือของฉันว่าเป็นตัวกูหรือของกูที่เราเป็นทุกข์อยู่สม่ำเสมออยู่บ่อยๆเนี่ยก็เพราะเราไปยึดเอาความโกรธความเศร้าความเครียดว่าเป็นกูเป็นของกู รวมทั้งไปยึดสิ่งต่างๆนะทรัพย์สินเงินทองคนรักว่าเป็นกูเป็นของกูดังนั้นพอเกิดความเสื่อมความสลายมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อของรักหรือคนรักนะเมียนเป็นไปเป็นเพราะความยึดติดถือมันในสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมา เกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกความเสียใจท้นานอาจารย์เผากยังไปยึดอีกนะว่าความโศกความเศร้าความเสียใจนั้นเป็นกูเป็นของกูจึงกลายเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นทุกข์นะมันก็หลุดจากทุกข์ได้ไม่ยากยิ่งเราได้เห็นความจริงว่ามันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลย จิตก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ในที่สุดการเห็นเนี่ยนะสำคัญมากในเรารพุทธศาสนาแลนะสำคัญสัตวชีวิตของเราไม่ว่าจะเห็นสุขทุกขนาหรือว่าเห็นทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยทำให้จิตเนี่ยปล่องโปรดปลอดโปรง่งโปร่งเบาได้เป็นเพราะเราไม่เห็นทุกข์เราจึง ก็เป็นเป็นผู้ทุกข์เสียเองเป็นพ่อร้อมเองสุขทุกข์ณะเราจะเป็นคนที่มีเป็นทุกข์หรือมีทุกข์ได้ง่ายและยิ่งถ้าเราเห็นความจริงเห็นรัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งจนไม่ยึดติดถือมันในสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นของเราอิสรภาพหรือความสุขอย่างยิ่งนะก็จะปรากฏแก่เราแต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถจะ รู้ความจริงเห็นความจริงได้อย่างน้อยก็ให้ใหรู้สึกตัวอยู่สม่าเสมอไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้หน้าว่าในโอกาสปีใหม่เราก็ปรารถนาที่ได้พรต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยการมีสุขภาพดีการมีความสำเร็จในการงานจริงเรื่อนี้ก็ดีนะแต่ว่า มันไม่เท่ามันไม่ดีเท่าจิตใจที่ดีหรือคุณภาพจิต ท, ที่ดีส ต, ติสมาธิสัพพัญญ า, ญญาจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะเห็นคุณค่าและปรารถนาที่จะทำให้มีขึ้นนะกับใจของเราให้มากๆนะปีใหม่นี้จะกลายเป็น ปีที่ดีสำหรับเราและนําไปสู่ชีวิตใหม่ก็ต่อเมื่อเราสามารถจะเห็นสุขทุกขณะละทุก์ได้ไวแล้วก็ใจตื่นรู้อยู่เสมอจนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมยั้นถ้าหากว่าจะให้พอในปีใหม่นะก็คงไม่หนีจากที่ว่ามันนี่แหละนะขอคอยทุกท่านได้มีคุณภาพใหม่ ได้คุณภาพจิตที่ใหม่มีสติมีความรู้ตัวที่จะช่วยทำให้เห็นสุขทุกขนขณะละทุกได้ไวและมีใจตื่นรู้อยู่เสมอัชานี้ก็ขอพูดเพียงเท่านี้นะองกาศรพาพร้อมกัน